การกินอาหารเท่านั้นนะบางทีเราบ่อยครั้งด้วยซ้ำเนี่ยเราก็เสพทางตาทางหูทางจมูกทางสัมผัสกายตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเสพกันมากนะนอกจากทางปากก็คือทางตานี่ะก็คือการเสพข้อมูลข่าวสารนะแต่ก่อนนี่เราฟังทางหูนะเราเสพทางหูกันมากนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมัน อย่างมากก็มีแค่วิทยนะุแต่ต่อมาก็มีโทรทัศนะ์นะเราก็เห็ทางตามากขึ้นแต่โทรทัศนะ์นะเมื่อ40่สิ้าปีก่อนนะมันก็มีเป็นเวล่อ่ำเวลานะาเช่นอ่ากว่าจะเปิดสถานีโทรทัศน์ก็4ี่โมงบ่ายสี่โมงเที่ยงคืนก็เลิกแต่เดือนนี้นี่เรามีโทรทัศน์ดูกันทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ สาสี่ช่องอย่างแต่ก่อนนะมีเป็นร้อยๆยช่องและเดี๋ยวนี้มันก็นมาในรูปที่สะดวกง่ายสะดวกมากขึ้นนะก็คือมาทางโทรศัพท์แต่ก่อนนี่โทรศัพท์นี่เราเอาไว้ใช้ฟังนะเสพทางหูนะแต่เดี๋ยวนี้เราก็เสพทางตาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือข้อมูลข่าวสารหรือ ข, รข้อความต่างนี่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็น สิ่งที่คนเมืองขาดไม่ได้ทั้งวันนี้มันก็จะมีเสียงเตือนให้เรานะหันมาดูว่ามีข้อความอะไรบ้างต้องหยิบโทรศัพท์มาดูหลายคนนะ 80-90% เกซ็ก็ว่าได้ตื่นเช้าขึ้นมาอย่างแรกอย่างแรกๆที่ทำนะภายในเวลา15นาทีหลังจากตื่นก็คือการเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความแลเดี๋ยวนี้เรา ใช้ข้อความทางโทรศัพท์นี่ไม่ใช่เฉพาะเวลาว่างๆนะเวลาทํางานนะเราก็อดอดชำเลืองนะอดมองไม่ได้ว่ามีข้อความเข้าเข้ามาหรือเปล่าสมาธิเนี่ยซึ่งเป็นของหายากอยู่แล้วนะสำหรับคนในเมืองมันก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่พอแม้แต่เวลาจะกินข้าวก็ไม่มีสมาธินะต้องคอยดูข้อความ หรือไม่ก็ถ่ายรูปส่งนะภาพส่งข้อความไปให้เวลาจะคุยกับเพื่อนนะก็ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วพาะมันมีเสียงปิ้งๆิงปงนะมาเป็นระยะระยะนะยิ่งเวลาทำงานดูแลนี่นะซึ่งสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นมากเดี๋ยวนีนะ้ก็ไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่หรือมีก็ไม่ค่อยต่อเนื่องมีสักสามนาทีก็เดก๋ยวก็ปิ้งแล้ว กว่าคนเราจะมีสมาธิทำงานได้ก็ต้องใช้เวลานะพอมีสมาธิปุ๊บอ้าวมีข้อความเข้ามาัต้องเปิดอันนี้เรียกว่าเป็นการเสพนะเป็นการเสพข้อมูลข่าวสารซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันมันเกินพอดีไปละเวลาเรากินอาหารเนี่ยพระอุจ้า ก, ก็จะสอนจะเตือนว่าเนี่ยให้รู้จักประมาณในการบริโภคคำว่าบริโภคสมัยก่อนก็หมายถึงการกินอาหารนี่แหละ แต่เด๋ยนนี้การบริโภคมันรวมไปถึงการนะเสพข้อมูลข่าวสารนะทางตาด้วยคนเด๋ยนนี้นี่ในแง่หนึ่งนะก็มีความสะดกสบายมากขึ้นแต่สิ่งที่มาควบคุ่กันไปคือนะความวา้าวุ่นในจิตใจหาความสงบไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งคอยดึงความสนใจเราไปตลอดเวลา พวกโปรแกรมแอปพลิเคชันต่างๆในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือนี่นะเขามีจุดมุ่งหมายสำคัญเลยนะก็คือดึงความสนใจของเรานะให้มาจดจ่ออยู่กับตัวเขานะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เนี่ยตัวดีเลยเนี่ยเขาดีไซน์มาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะใช้เวลาอยู่กับเขานานๆ น, นะจึงมีการมีปุ่มให้กดไลนะ์มีปุ่มให้แชร์บางคนเนี่ยนะ ทีแรกก็ว่าจะโพสต์แค่อธิย์ละวันแต่พอมีคนไลฟ์มากขึ้นก็ขยับมาจากอธิละวันอธิละครั้งอธิวันจากวันละครั้งก็เป็นวันละสองครั้งพอมีคนกดไลฟ์มากขึ้นนะวันละสองครั้งก็เป็นวันละสาครั้ง4ี่ครั้งเนะี่ยนี่เรียกว่าเป็นกุ ป, ปูบายในการล่อให้เราเนี่ยมาจดจ่อสนใจเขามีนิวส์ฟีดต่างๆมากมายที่ โดยแล้วแต่น่าสนใจเพราะว่าเขาจะเลือกมาเฉพาะสิ่งที่เราสนใจถามว่าเขารู้ได้ยังไงเขาก็รู้จากการที่เราใช้บ่อยๆนะไอะ้ตัวโปรแกรมก็จะสามารถทํานายหรือคาดเดาได้ว่าเราชอบอะไรเพราะนั้นก็จะต้องปลอนสิ่งที่เราชอบเราก็เลยอยู่กับมันนานขึ้นทีแรกว่าจะดูสักสิบหนาทีหรือบางทีแค่3นาที2นาทีเราก็ปาเข้าไปนะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะก็เป็นนั้นว่าสิ่งที่อยากทําก็ไม่ได้ทํา เวลาที่จะให้กับลูกกับหลานก็ไม่มีและเดี๋ยวนี้นี่นะคนเราติดนะผูกติดกับโทรศัพท์มากนะเขามีการทดลองนะว่าโทรศัพท์ทีนะ่ปิดเสียงเนี่ยถ้ามาวางไว้บนโต๊ะขณะที่ทำงนานไปด้วยเทียบกับคนที่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้อีกห้องหนึ่งโทรศัพท์เนี่ยที่วางไว้บนโต๊ะทั้งนั้นที่ปิดเสียงและความหน้านะความหน้าไม่เห็นไม่เห็นจอนะ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 แม้แต่โทรศัพท์วางไว้ข้างหน้าเราจะพวาวงผวาวงว่าเอจะเปิดโทรศัพท์ดีไหมหรือจะเช็คข้อความดีไหมแม้แต่ในใจที่บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดโทรศัพท์นะอย่าเพิ่งเช็คข้อความแค่นี้ก็ทําให้เสียสมาธิแล้วนะทําให้เสียสมาธิจนกระทั่งทํา ง, ทงานเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงนะอันนี้ก็ทําวิจัยมาเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ในห้อง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 นะเพราะทำนี้มาเป็นป น, นิสัยและวันลาเป็นสิบเป็น1้อยครั้งเห็นแล้วเป็นไม่ได้เห็นแล้วเป็นต้องมาเช็คข้อความล้วนะมันมีความยากที่ทำให้ใจเสียสมาธิและการที่พยายามห้ามใจว่าอย่าเปิดจะเปิดอันนี้ก็ทำให้การทำงานของเราโดยเพราะการใช้สมองเนี่ยนะมันคุณภาพต่ำลงนะเพราะว่าไม่มีสมาธิมันมีสิ่งรบกวนจิตใจ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 เดี๋ยวเรากินเซนนี่เราก็อิ่มแล้วพออิ่มแล้วเราก็ไม่อยากกินอย่างมากเราก็แค่ตุนนะแต่ว่าเสพข้อมูลข่าวสารนี่มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่อั้นนะเสพได้เรื่อยๆอาจจะไม่ใช่เป็นข้อความตวัวอักษรอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นคลิปวิดีโอก็ดูได้เรื่อยๆนะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีสิ่งรอเรานะหลายอย่างเช่นเกมนะติดนะ ติดทั้งวันเลยเล่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะนี่ก็เป็นการเสพอิดอันหนึงซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยไม่เป็นอันทำงานไม่เป็นอันหลับอันนอนคนที่ช็อกตายเนี่ยเพราะว่าเล่นเกม36ชั่วโมงติดต่อกันนี่มีนะแล้วก็มีหลายคนด้วยโนดะ <c oughs> ยเฉพาะประเทศที่เขามีอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าไวรวดเร็ว <c oughs> เช่นไต้หวันเกาหลีนี่ตายคาตายคาเครื่องหรือว่าตายนะ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 เราได้ความสุดกสบายแต่เราสูญเสียอะไรไปบ้างนี้ไม่ค่อยนึกเท่าไหร่โดยเพราะความสงบในจิตใจโดยเพราะสมาธิโดยเพราะเวลาที่จะต้องให้กับพ่อแม่ลูกหลานหรือว่าเวลาหลับเวลา น, นอนอาแล้วก็ อ, อ่พูดกันเช้านี้